บุ๊ก <Book> 2 43นา่ารบกวนมูดที่สวนสัตว์ยนตประรเดอรสนอาลวดดาวดะสวนสัตว์อยู่ที่นั่นยนตประเดอรสนอาลาอักกะบุนดิยีราฟอยู่ตรงนั้น จิระฟโลอักกัดวุ่นไงมีอยู่ที่ไหนบัลลูกาลโเอยากกัดวุ่นไงช้างอยู่ที่ไหนเยนุกุลอยากกัดวุ่นไงงูอยู่ที่ไหนป่ามมลอยากกัดวุ่นไงสิงโตอยู่ที่ไหนสิมห์โลอยากกัดวุ่นไน ดิฉันมีกล้องถ่ายรูปนาวัดด า, เเา ด, ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วยนาวัดดาวดีโก เ, เม ด, ดิดฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหนแบ ต, ต ร, กก ร, รนนกเพนกวินอยู่ที่ไหนเพนวินลอยอย่างกันบนไหน จิงโจ้อยู่ที่ไหนคังการูแยกกันวยูไหนแรดอยู่ที่ไหนเรโนโลูแยกกันอยไหนห้องน้ำอยู่ที่ไหนมารุกดดีแยกกันอยดมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นอากัดวกะคาเฟ่อด มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นอากาเดว่กร้านสเตอร์เรนต์บุนดีอูดอยู่ที่ไหนวัน n ตลุ a ัก l ระโดนไหนกอริล่าและม้าลายอยู่ที่ไหนกอริล่าลูจีบราลูยักกระโดนไหนเสือและจอร์รเก้อยู่ที่ไหนปลลูลลูมสลูยักกระโดไห